ท่านฟังที่ครบค่ะเมื่อผ่านในช่วงแรกไปตอนนี้รายการสัมสนท น, นาโดยดิจันสัณม น, นาคมก็จะนําท่านทั้งหลายเนี่ยได้มาพบกับโอกาสพิเศษในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่ท่านเพรบุญหรือว่าพระเพรบุญอภิปุโนจากวาดาดอนไฮโซอุดรธานีตั้งใจมามอบให้กับท่านก็คือช่วงของการที่จะเล่าพุทธประวัติจากพระโอรสแล้วก็เรื่องของอริยสัจสี่โดยละเอียดนะคะ นำ้ำมาสการกัะท่านเป็นบุญคะใช่เชิญพานมีหลายคนเหมือนกันนะคะที่ตามไปฟังท่านที่วิทยุประเทศไทยช่วงสาวอาทิตย์ด้วยะค่ะใช่ใช่นอกจากไปมาฟังที่วิทยุประเทศไทยแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีท่านผู้ฟังมาจากกรุงเทพนะคุณโยมติ๋วมาหาอาตมาที่อุดรธานีเลยก็มีโอ้โหเหรอคะใช่แล้วเขารู้จักท่านอาจารย์จากที่ร้อยหกหรือว่าที่วิทยุประเทศไทยครั้อยหกนี่แหละเอฟเอ็มร้อยหก มาจากแถวใช่มาจากแถวมาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็มาแถวภาคอีสานก็เลยแวะมาเยี่ยมอ๋อค่ะเนี่ยอาพโมทนาจริงๆเลยเขาไมีโอกาสดี <c oughs> ก็คงจะมีอีกหลายท่านเหมือนกันนะคะที่ฟังรายการนี้แล้วพอดีท่านประกาศไปว่าจะมีการทอดกรถินในวัดของพระภิกษุที่มาจัดรายการในรายการสรนสันิสนทนานี้หลายคนคงเตรียมไปละค่ะก็ย้ําอีกครั้งแล้วกันนะคะเผื่อท่านจะไปภาคอีสานไปทอดกรถิ่น ที่วัดที่พระอาจารย์ภัยบุญอภิปุณโญอยู่ก็คือวัดป่าดอนไฮโซอุดรธานีให้ออกจากป่าท่านดีกว่าได้ไหมคะว่าเป็นวันไหนก็จะเป็นวันที่ยี่สิบสามตุลาคมยี่สิบสามตุลาคมก็ที่วัดนี่แหละเป็นวันอาทิตย์พอดีค่ะเป็นวันปิยมหาราชก็แปลว่าเป็นวันหยุดที่ท่านทั้งหลายจะเดินทางกันค่อนข้างสะดวกหน่อยนะคะใช่ใลองวิเกณตรงนั้นและค่ะแล้วก็ในส่วนของ วัดนาปพงของท่านมาร์กหรือว่าพระอาจารย์คริกฤตเนี่ยนะคะก็จะจัดก่อนหนึ่งสัปดาห์วันอาทิตย์เหมือนกันควรที่สิบหกตุลาคมคนที่ชอบทอดกระถิก็เชิญกันเลยนะคะทีนี้มาถึงช่วงเวลาที่จะนิมนต์ให้ท่านได้เล่าพุทธประวัติต่ตอแล้วล่ะคะ่ะคราวนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของที่ความเป็นอยู่เกี่ยวกับพระองค์เองก็มาพูดถึงเรื่องอาหารกันสหน่อยว่าพระเจ้า รับประทานอาหารยังไงก็มีครั้งหนึ่งที่มีได้โต้โต้กับพรามรูปหนึ่งที่เป็นที่เราได้เคยเล่าไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพูดถึงว่าเาโต้กันเป็นคําคำกรอนอย่างนี้นะเหมือนอย่างที่เราเคยได้ยินเพลงครับพระเจ้าก็ไม่ไม่รับประทานอาหารที่เกิดจากความศรัทธาของพรามในความสามารถของพระองค์ตรงนี้ก็หมายความว่าพรามองค์นั้นเนี่ยเขาศรัทธาพระพุทธเจ้าที่ว่าโอโ้มีความสามารถในการร้องเพลงขับ แล้วก็เอาอาหารมาถวาย mm hmm. พระพุทธเจ้าก็ไม่รับแล้วก็ในบางครั้งพระพรุทธเจ้าก็รับประทานอาหารเนี่ยหมดบาทเลยก็มีนะคือบาทเต็มเนี่ยก็รับประทานทุกอย่างหมดเลยเหรือบางทีก็รับประทานอาหาร oh. 1ฝึ่งฝ า, ายฝ่ามือก็มีผลมะตูมก็มีคร oh. ึ่งขันก็มีอย่างเงี้ยบางทีก็รับประทาน <Okay. S 1> อาหารเยอะแยะก็มีนะแต่ทุกครั้งเนี่ยก็จะรับประทานอาหารแค่ครั้งเดียว พุทธเจ้าบอกว่าเรานั้นฉันโพชนะแต่ในที่นั่งแห่งเดียวคือลุกแล้วเนี่ยไม่ฉันอีกในวันนั้น อ, อ๋อค่ะคือก็คงจะพิจารณาว่าวันไหนเหมาะที่จะไม่ก็ไม่ทราบว่าจะใช้ทาใดดินกันนะคะรับประทานสเสวยฉันฉันนั่นแหละสารพระฉันใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วก็บางทีก็เต็มบาทบางทีก็ฝายมือนี่ฝายมือนี่โหน้อยมากเลยนะคะก็ <c oughs> ใช่เหมือนกับ <c oughs> วักน้าขึ้นมาครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยนะมือนหนึ่ง ค่ะอ๋อนี่เป็นเป็นลักษณะของการขบั น, ชนใช่ขบชันของพระพุทธองค์ค่ะนอกจากนี้เดนบางครั้งก็ฉันอาหารแบบเหมือนพวกพรมคือมีครั้งหนึ่งมาเนี่ยเขามาปั่นป่วนพระพุทธเจ้าคือมาเนี่ยก็ตอนนั้นพระพุทธเจ้าจะไปบินธบาตในบ้านปัญจสาระปรามขามเป็นหนูบ้านของพวกปรามมาเนี่ยก็มาดนใจไม่ให้ชาวบ้านเนี่ยไปใส่บาตร แล้วก็บริพจ้าก็เลยกลับมาบาดเปล่าไม่มีอาหารอยู่ข้างในมารก็เลยมาย่อเย้ยบอกว่าเอา้าสมณะกลับไปอีกสิคราวนี้จะได้อาหารบ<อ>ริพจ้าก็เลยบอกว่ า, ามารมาขัดขวางตถาคตเนี่ยไม่ใช่ขนถางห่งบุญละสร้างบาปละแต่ว่าเราเองเนี่ยก็อิ่มอยู่แล้วนะมีความสุขอยู่เป็นประจำเพราะว่ามีปิติเป็นอาหารเหมือนกับพวกอาพาัสารเทพเ<อ>คือบางครั้งก็กินอาหารด้วยความด้วยปิติ เนี่ยมีสมาธิเป็นอาหารว่างกันเถอะค่ะคือไม่ต้องขบ <c oughs> ขันโดยการขบเคี้ยวใช่ค่ะอืมแล้วก็อ่นี่คือการความเป็นอยู่เรื่องการรับประทานอาหารเรื่องการนอนก็นอนอย่างตถาคตพระพุทธเจ้าเคยพูดถึงการนอนมีอยู่4ี่แบบคุณโยมติว๋วอันดับแรกเนี่ยก็คือการนอนอย่างเปรตหรือคนที่ตายแล้วนะคือคนคนตายเนี่ยมีปกตินอนหงาย ก็คือการนอนอย่างเปรตหรืออย่างที่2คือการนอนอย่างคนบริโภคกามคือการนอนตะแคงข้างซ้ายในอย่างที่3คือการนอนอย่างสีหะคือนอนตะแคงขวาคือปกติสีหะเนี่ยเป็นพยาศัตว์ก็จะนอนตะแคงข้างขวาใช่ไหมเท้าเหลื่อมเท้าแล้วก็สอดหางไว้ที่ระหว่างแห่งขาพอตื่นขึ้นเนี่ยก็ย่อมชะเง้อดูกายตอนท้ายว่าถ้าไม่มีความถ้ามีความเคลื่อนที่เนี่ยก็จะเสียใจ แต่ถ้าไม่เคลื่อนไหวในขณนะหลับนะนะก็จะมีความดีใจนี่คือการนอนอย่างสีหฮะแล้วอย่างสุดท้ายการนอนอย่างตถาคตก็คือการนอนในสมาธิการนอนอย่างตถาคตก็คือการนอนอย่างอยู่ในสมาธิก็คืออยู่ในฌานที่1น3 4ี่ทีนี้ตรงนี้อาจารมามีข้อสังเกตว่าเอฟบูรุชเนี่ยไม่ได้บอกว่านอนท่าไหนโดยตรงนะบางทีก็ส่วนใหญ่จะพูดว่าเออเรานอนอย่างสีห แต่ทำไมตรงนี้มาบอกว่านอนอย่างอยู่ในสมาธิก็เลยคิดว่าการนอนเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นการอยู่ที่ท่าก็ได้คือมีครั้งหนึ่งที่อาจจะมาเนี่ยรู้สึกปวดสีข้างข้าง ข, างขวาใช่ไหมเราก็นอนอย่างสีหะไม่ได้เราก็ต้องมานอนง่ายบ้างนอนอย่างเปรดบ้างนอนอย่างคนบริโภคกาม <c oughs> บ้างก็แล้วแต่ใช่ไหมทีนี้ว่าแต่ถ้าจิตเราเป็นสมาธิอยู่ตลอดเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรเราก็เรียกว่านอนอยู่ในตถาคต นอนอย่างตาขาคตได้หรือแม้แต่นั่งก็ได้เอานั่งถ้านั่งอยู่เนี่ยเราอยู่ในสมาธิเนี่ยก็ชื่อว่าพักผ่อนแล้วเหมือนกันอเพราะฉะนั้นบางทีพระเจ้าก็นั่งอยู่ตลอดคืนไม่ได้เองกายนอนแต่ว่าหลับอยู่ในสมาธิอย่างนี้ก็มีหลายหลายครั้งเนี่มโอ้วันนี้ก็เลยได้ทราบเลยว่าพระาศาสดา ข, ของเราเนี่ทรงนอนอย่างไรใช่แล้วก็ ตอนแรกฟังช่วงแรกๆที่บอกว่านอนง่าย <c oughs> นอนเหมือนเปลตอะไรเงี้ยนะคะ <c oughs> ดิฉันไม่คําเลยเพราะว่า <c oughs> เพิ่งไปถามหมอมาหมอเขาบอกนอนงายในยดีที่สุดคือเรื่องนอนมันมีคนแนะนําหลายแบบใช่ไหมคะบางคน <c oughs> ก็บอกเนี่ยตะแคงขวาดีที่สุดแต่ตะแคงขวาเนี่ยดิฉันได้ยินบ่อยเพราะเขาบอกว่าจะไม่กดทับหัวใจที่เป็น <c oughs> อวัยวะสำคัญของเราอ <c oughs> อย่างไรก็ตาม <c oughs> พระศ า, าสดา ก, ก็เคยพูดว่าพระองค์ก็นอนแบบสีหะด้วย แล้วท่านพิบูลกำลังจะบอกว่าท่านก็นอนทุกท่าแหละเพียงแต่ว่านอนในสมาธิใช่ไหมคะใช่อยู่ในสมาธิตลอดใช่ค่ะนี่คือการพักผ่อนของพระาศาสดาตรัสเอาไว้เองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของพุทธประวัติในวันนี้ค่ะเดี๋ยวฉันขอขอมวดอีกอย่างได้ไหมคะว่าหมายความว่าถ้าจะปฏิบัติตนเยี่ยงพระาศาสดาหรือเดินก้าวหน้าไปสู่การเจริญมากขึ้นมากขึ้นของธรรมสติต้องมีตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดถูกไหมคะถูกต้องถูกต้อง เพราะนั้นไม่ว่าเราอยู่ในอิริบทใดนะัะนอนท่าไหนเดินกับใครเดินเดินที่ไหนพูดกับใครเนี่ยถ้าเรามีสติใช่ไหมมันจะทําให้มีสมาธิได้นั่ น, นันแหละคือชื่อว่าอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าละทีนี้วันในเรื่องของอริยสัจสในส่วนของความดับของทุกใช่ไหมเราจะเอาไอ้ตัณหานี่ออกไปได้ยังไงทีนี้พระพุทธเจ้าได้พูดถึงความดับไม่เหลือของทุก์เนี่ย คือดับไม่เหลียงตัณหาเนี่ยมีหลายชื่อที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้เราพูดกันอยู่แล้วทีนี้ไอ้ที่จะดับไปจะดับไปเนี่ยมันจะดับไปได้อย่างไรพุทธเจ้าเคยยกตัวอย่างเหมือนกับว่าหมอทั้งหลายเนี่ยเขาจะมียาถ่ายเพื่อกําจัดโรคนะมีถ่ายโทษในเบือบเบ้องบนก็มีถ่ายโทษในเบื้องต่ําก็มีถ่ายโทษในเบื้องบนเนี่ยก็คือระบบขับถ่ายของเราใช่ไหมเออถ่ายโทษในเบื้องต่ำเนี่ยคือระบบขับถ่ายที่ออกไปทางทวารหนักทวารเบา ถ่ายโทษในเบื้องบนเนี่ยคือถ่ายระบบลมบ้างถ่ายระบบเสมหะบ้างอย่างนี้หรือออกมาทางปากออกมาทางเหนืออย่างนี้ก็เป็นเรียกว่าถ่ายโทษในเบื้องบนซึ่งพระพุทธเจ้าใช่เป็นยาถ่ายว่างั้นเถอะทีนี้พระพุทธเจ้าบอกว่ายาถ่ายเนี่ยบางทีหมอเขาใช้เนี่ยก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างก็มีนะซึ่งของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นยาถ่ายที่เรียกว่าเป็นยาถ่ายอันเป็นอริยะนะสามารถถ่ายสิ่งที่มีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเนี่ยให้ออกไปได้ ถ่ายออกมาแล้วเนี่ยพ้นจากชาติการเกิดได้พ้นจากทุกข์ได้พุรุษชาติก็พูด<อ>ถึงอริยมรรคมีองค์แปดแล้วก็ยังบวก<ช>เข้าไปอีกกับาสัมมาญาณนะและก็สัมมาวิมุตติ้วก็จะเป็นยาถ่ายที่เป็นอริยะค่ะ<ช>แล้วก็ลักษณะที่สองของอธรรมะที่เป็นเครื่องดับไปแห่งทุกข์เนี่ยนะ<ช>ก็เป็นสิ่งที่ถอนความ เป็นตัวตนในปัจจุบันบางคนจะคิดว่าเอ๊ะถ้าเราไม่มีตัวตนแล้วเราจะเราจะแบบจะพูดว่างไงเอาอัตมาพระภับูรนี่คุณสรนสนีนั่นท่านผู้ฟังจะเรียกเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตัวเนี่ยมันก็จ ะ, ะเรียกไม่ได้ใช่ไหมเพราะเราถอน <Okay. S 1> ความเป็นตัวตนทีนี้นี่เราพูดถึงระดับของจิตนะคือจิตที่ไม่มีความยึดถือแต่ว่าในเรื่องของกายเนี่ยเราก็ยังต้องมีการสมมุติเรียกชื่อกันอันนี้เป็นปากกาอันนี้เป็นนาฬิกาอย่างนี้ก็ต้องมี ซึ่งพระเจ้าได้ไล่ไปถึงตามลําดับในการที่จะเอาความตรงเนี้ยความยึดมั่นถือมันในตัวตนออกจากจิตเนี่ยไล่ไปยังไงอันดับแรกก็พูดถึงเหตุก่อนว่าถ้าเธอเป็นผู้มีมิตร ด, ดีคือมีกเรยนนมิตรอย่างเงี้ยนะก็จะทําให้เป็นผู้มีศีลได้ถ้ามีศีลแล้วก็จะทําใหเ้เป็นผู้ที่เห็นธรรมกถาต่างๆได้หลายอย่างเช่นเรื่องให้ปรารถนาน้อย เรื่องให้มีความสังกัดสันโดษไม่คลุกคลีเรื่องศีลสมาธิปัญญาพวกนี้แล้วก็พอได้พวกนี้เราก็จะมีความเพียรหลัะพอคนมีความเพียรแล้วก็จะเห็นปัญญาได้มีปัญญาแล้วก็จะละราคะละอวิชชาได้ตรงนี้ก็จะถอนความสำคัญมั่นหมายในความเป็นตัวตนได้นั่นแหละคือนิพพานผู้ชาพูดถึงทีนี้นิพพานที่เราพบพบกันเนี่ย อย่างชั่วคราวก็มีพรนะพุทธเจ้าเคยพูดถึงที่เป็นคําของท่านพระอานนท์ที่รับรองโดยพระพุทธเจ้านั่นคือความดับในอย่างสมมตุติในชั้นที่1อย่างเงี้ยก็จะเป็นความดับของอกามพยาบาทเบียดเบียนแล้วก็อกุศลดำทั้งหลายนะั่เป็นนิพพานอย่างหนึ่งทีนี้ในชั้นที่2ก็เป็นนิพพานในความดับของวิตกวิจารณคือถ้าวิตกวิจารณ์ดับไปความคิดที่เป็นคําพูดเนี่ยดับไปแล้วเนี่ย นั่นก็คือชานที่สองแหละนะชา้นที่สามจะเป็นการดับไปของปีตินะคือความอิ่มเอิบใจความทรัพย์ทรัพเนี่ยดับไปในชานที่สามมันก็จะเป็นความดับเป็นขั้นเป็นขั้ น, เ ป, น, นเป็นขั้นไปอย่างนี้เกามีค่ะเข้ากับว่าในลักษณะนี้ที่พูดถึงนิพพานแต่ว่ามีหลายขั้นเนี่ยแปล ว, ว่าเรื่องของความดับใช้คําว่านิพพานด้วยอย่างนั้นถูกไหมคะถูกต้องถูกต้อง ดับเป็นส่วนส่วนไปเป็นลำดับขั้นไปใช่ทีนี้ว่าไอ้ดับที่สูงสุดเลยก็คือการถอนความสําคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวตนอย่างสมมติเราเข้าสมาธิขั้นที่หนึ่งเี่ยขั้นธรรมดาธรรมดานี่ไม่คิดเรื่องที่เป็นอกูสโละนะอันนั้นยังมีความยึดถืออยู่ว่าโอ้ไอ้สมาธิอย่างนี้เป็นของฉันอยู่ยังมีตัณหาอยู่ถูกไหมค่ะแต่ว่าไอ้กิเลสหรือว่าความคิดฟุง้งซ่านอะไรพวกนี้ดับไปละ ทีนี้พระพุทธเจ้าจึงพูดถึงสมาธิอย่างที่ไม่มีความยึดมั่นถือมันเนี่ยก็มีนะอย่างสมมุติถ้าเราพูดถึงว่าคนทั่วไปใช่ไหมเข้าสมาธิขั้นที่หนึ่งนะยังมีความยึดถืออยู่ยังมีความเป็นตัวตนอยู่แต่สมาธิขั้นที่หนึ่งอย่างที่ไม่มีตัวตนก็มีนะ mm hmm. ก็คือสมาธิของพระอารหันต์นั่นเองอ่าที่คลายความยึดถือในสิ่งนั้นไปด้วยแล้วด้วยค่ะ mm hmm. ทีนี้พอพูดถึงนิพพานเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ได้ เปรียบเทียบนิพพานไว้หลายๆอย่างนะว่าเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากนะไม่มีตันหาแล้วก็ไม่ใช่ที่เที่ยวของปุถุชนเป็นที่ที่ความสว่างดวงอาทิตย์ยอะไรต่างก็ไม่มีแต่ความมืดก็ไม่ได้ไปถึงแล้วก็ยังบอกว่าการสแสวงห า, านิพพานเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐอย่างยิ่งนะคือสมมุติว่าถ้าเรามีความเกิดเป็นธรรมดาแล้วเนี่ยเรายังไปสแสวงหาความเกิดในนี้ไม่ดี แต่ถ้าเรามีความเกิดความแก่ความตายเป็นธรรมดาสแสวงหาสิ่งที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายเนี่ยดีคุณยมติ๋วจาเวลาที่พระพุทธเจ้าก่อนออกปรนวดได้ไหมตอนที่เราพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในวงังแล้วก็เห็นสิ่งต่างๆเกิดแก่ตายอย่างเงี้ยนะค่ะก็มาหาว่าเอ๊ะเราก็ต้องเกิดต้องแก่ต้องตายอีกนะแล้วเราจะมาเอาสิ่งที่ต้องเกิดต้องแก่ต้องตายอีกมันไม่สมควรก็เลยออกสแสวงหา ก็เลยมาพูดตรงนี้ว่าอันนี้เป็นการแสวงหาอันประเสริฐโออคแล้วก็มายืนยันตรงนี้ว่าถ้าว่าสิ่งที่ เ, เกิดสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่ถูกอะไรทําสิ่งที่ถูกอะไรปรุงมีอยู่เนี่ยก็ต้องมีสิ่งที่ไม่ถูกอะไรปรุงไม่ไมิไม่เกิดไม่เป็นไม่ถูกอะไรทําได้นะักุเจ้าอาศัยหลักการตรงเนี้ยจึงออกแสวงหาสิ่งนั้นคือ น, นิพพานนิพพานที่สูงสุดเลยอะนะ ไม่มี ค, <ะ>ความยึดถือตรงนั้นแล้วก็พบว่าอ๋อเพราะว่าไอ้เจ้าตัวความเพลินนี่เองอเจ้าตัวตันหานี่เองจึงทำให้มีปัญหาขึ้นมาถ้าคลายตรงนี้ได้ก็ชื่อว่าไม่มีและไอ้สิ่งที่ปรุงแต่งเกิดขึ้นตั้งอยู่พวกนี้จะดับไปได้ใช่<ะ>นี่นคือเรื่องของอริยสัจในวันนี้อ๋อค่ะนะคะอันนี้ก็ได้ไปเยอะเลยนะคะเนี่ยคือจะได้เห็นคุณสมบัติของของนิพพาน แล้วก็ดิฉันชอบนะคะพูดถึงตอนที่ท่านได้ตรัสถึงการ ถ, าถ่ายโทษใช่ค่ ะ, ะจะเป็นการตราดกับคนที่เป็นท้องผูกรวมไหมซชำนะคะถึงได้เปรียบเทียบถึงเรื่องของการหลุดพ้น ท, <า>ท้องผูก<ๆ>ก็มีหรือบางทีหมอเขาจะให้ยาล้างตามานี่ก็เป็นการยาถ่ายเหมือนกันลักษณะหนี้นะคะยาถ่ายอันเป็นอริยะใช่ค่ะวันนี้เราคงจะต้อง รบกวนท่านเทวุลแตเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแต่ก็เชื่อว่าท่านทั้งหลายได้ประโยชน์กันมากทีเดียวอย่าลืมาไปไคร่ครววนะคะเพราะว่าธรรมะของพระพุทธองค์นั้นมีสําหรับที่จะวิจยะเป็นธรรมะวิจยะคืออ่าไปพินิจพิเคราะห์ต่อว่าอย่างนั้นเถอดถูกไหมคะวันนี้ก็นำมรสการขอบพระคุณท่านเทวุลไว้ในโอกาสนี้คะ่ะอจาริ์นพรค่ะท่านฝั่งที่เคารพค่ะเราก็ต้องกราบนมรสการขอบพระคุณท่านจริงๆนะคะเพราะว่า ประสง์ที่ร่วมในรายการนี้นี่ล้วนแล้วจะเป็นพระสง์ที่มีกิจของสงฆ์มากเหลือเกินในการเผยแผ่ธรรมะค่ะแล้วก็ท่านก็อยู่ไกลถึงอุดรแต่ว่าโดยเทคโนโลยีจนกระทั่งมีคนสงสัยเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการจัดรายการเดี๋ยวควจะไปสนทนากับท่านอาจารย์ต่อไปในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ท่านทั้งหลายที่ฟังรายการอยู่แล้วก็สนใจที่จะศึกษา วิธีปรัดของพระพุทธองค์ในการสอนที่เราเรียกว่าเป็นพุทธวจนะคือจะได้ทำด้วยแล้วก็ได้สังเกตวิธีการพูดของพระพุทธองค์ด้วยน ะ, นะคะก็ขอมาสําหรับหนังสือชุดพุทธวจนะที่พระอาจารย์คริสปิสุทธิพโลวัฒนาต่อพงศ์วัดเดียวกับที่ท่านมาร์คได้อยู่นี่แหละนะคะลำดุกกาคลองสิบได้มอบให้มาสําหรับท่านที่โทรเข้ามาก่อนที่เบอร์022690006เวลา3เล่มค่ะส่วนคําถามนะคะ จริงๆแล้วเราก็ยังเปิดรับอยู่แต่ระยะนี้อาจจะไม่ได้ถามต่อกันในรายการก็เลยอาจจะส่งกันน้อยนิดหรือเป็นเพราะเข้าใจว่าเลิกตอบคาถามแล้วหรืออย่างไรท่านยังส่งได้ที่เบอร์เดียวกันเนี่ยราคา022690006และที่ peotama.com/106 วันนี้ลากันไปก่อนนะคะพุททว่าสวัสดีค่ะ